สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อย่อยที่12ของ20กฎทองคากฎที่11เครับเรื่องของอะไรต้องมาก่อนและอะไรมาทีหลังท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้และท่านศาสตราจารย์สุพิธ วิจักโยธินได้แปลไว้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมาในทุกๆโอกาสนะครับที่ได้มีโอกาสใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นคำหนุนใจให้กับพี่น้องทุกเช้านะครับในประเด็นที่12นี้มีข้อความดังนี้ครับว่าเราต้องได้รับการปลอบใจก่อนแล้วปลอบใจผู้อื่นทีหลังพี่น้องครับนั่นคือเคล็ดลับของการที่เราทั้งหลายได้รับ หนุนใจการหนุนใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนที่มีประสบการณ์การรับการปลอบใจการหนุนใจจากองค์พระบุญเจ้านั้นก็จะสามารถมีประสบการณ์และเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นที่อยู่ในความทุกข์ยากลาบากเช่นเดียวกันพี่น้องครับในพระธรรมสองโครินต์บทที่ 1: ข้อสครับมีใจความดังนี้โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าโปรดฟังอีกครั้งครับพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความชูใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้เป็นพระกัมพีที่ประทับใจหลายหลายท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับพี่น้องครับถามว่าทำไมถึงมีความประทับใจเพราะเนื่องจากว่าหลายครั้งทีเดียวเราอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเราแสวงหาการปลอบใจการชูใจการเสริมเรี้ยวแรงการดูแลความห่วงใยของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรา และเราก็ได้รับประสบการณ์ความเมตตาจากพระเจ้าครับและขณะที่เราได้รับความสุขใจเราได้ความเมตตาจากพระเจ้าเราก็จะสามารถและมีน้ำใจเผื่อแผ่คนอื่นครับน้ำใจตรงนี้แหละครับเป็นน้ำใจที่เราเองนั้นจะต้องขอพระเจ้าให้มีมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้ น, นเรื่อยๆครับเรามาดูนะครับว่าพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องนี้ในคำเทศนาของพระองค์บนภูเขา พี่น้องครับพระเยซูสอนว่าบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมพี่น้องครับจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนที่โศกเศร้าคนที่เศร้าโศกคนที่มีความทุกข์จะมีความสุขจะเป็นสุขและจะได้รับการปลอบประโยน์ได้อย่างไร พี่น้องครับนี่คือข่าวดีที่พระเจ้ามอบให้กับเราครับเป็นข่าวดีที่คนเราธรรมดาธรรมดาจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าจนกระทั่งเขามีความสุขพี่น้องครับในพิธีไว้อาลายัยคนที่ล่วงหลับไปในองค์พระบูญเจ้ามันเป็นความจริงอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระกิติคุณนั้นได้ปลดปล่อยปลดปล่อยคน ที่มีความทุกข์ยากลำบากทำให้มีความหวังใจปลดปล่อยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมีความเชื่อศรัทธานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาได้รับชีวิตนิรันดร์เขาจากโลกนี้ไปด้วยความหวังใจและไม่กี่นาทีหลังจากที่พวกเรารู้ว่าเขาจากไปเราแน่ใจครับว่าท่านได้จากไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นความเศร้าโศกตรงนี้มีความหมายว่าเป็นความเศร้าโศกที่เกิดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความเศร้าโศกที่เกิดที่ลูกของพระองค์ใครก็ตามที่เป็นลูกของพระเจ้าใครก็ตามที่มีความทุกข์ยากลาบากใครก็ตามที่มีความหิวกระหายพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีความสุขเมื่อเข้ามาพึ่งใน พระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูเองนั้นพระองค์ก็มีความทุกข์ยากลาบากพระองค์ต้องรับการเสริมกำลังเสริมเรี้ยวแรงในขณะที่พระองค์อยู่ในสวนเกสมเนีพระองค์อธิษฐานด้วยความทุกข์ใจจนกระทั่งเหงื่อหรือพระเศโทของพระองค์นั้นได้หลั่งมาเป็นดั่งโลหิตเป็นดั่งเลือดเลยครับ พี่น้องครับพระเจ้าก็ได้ให้ทูตสวรรค์มาปนิบัติพระองค์ในสวนเกตเสมเนีนี้เองพี่น้องครับพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าท่านอาจารย์เปาโล ก, ก็เช่นเดียวกันครับท่านได้รับความทุกข์ยากลาบาก ท่านได้รับการชูใจจากพระเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าขณะที่ท่านกับซีลานั้นอยู่ในคุกท่านรู้ครับว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยให้ท่านอยู่ในคุกเพื่อที่ว่าท่านจะได้ช่วยนายคุกหรือผู้ควบคุมผู้บัญชาการครุกผู้บัญชาการเรือนจำเขาได้รับความรอดทั้งครอบครัวพี่น้องครับท่านเปรโตก็เช่นเดียวกัน ท่านได้เขียนไว้ในหนึ่งเปโตรบทที่5้ข้อที่เท่านได้บอกว่ า, ใ ห, า, ว า, ววาให้เราละความกังวลกระวายให้เราละความกังวลให้เราะละความทุกข์ละความเป็นห่วงเครียดไว้กับองค์พระเยซูเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูทรงห่วงใยเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนว่า บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประรปโลมประมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราครับและพระองค์จะให้เราช่วยชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความชูใจซึ่งเราได้รับจากพระเจ้าคำหนุนใจของผู้ที่ประสบการเพียง ประโยคเดียวหรือคำคำเดียวก็มีค่ามากกว่าคำพูดมากมายของคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นพี่น้องครับเราจะต้องรับประสบการณ์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องหลายหลยท่านที่มีความทุกข์ยากลำบากครับที่มีความรู้สึกเดือดร้อนสศกเศร้าหลายหายท่านอาจจะน้อยใจ แต่พี่น้องครับอย่าน้อยใจโดยเพราะอย่างยิ่งอย่าน้อยใจพระเจ้าครับอย่าซึมเศร้าโศกเศร้าได้ครับแต่อย่าซึมเศร้าครับพี่น้องครับและทูลขอพระเจ้าช่วยเราถามพระองค์ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิกฤตต่างๆความทุกข์ยากลำบากต่างๆข้าพระองค์ขอรับการชูใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อข้าพระองค์จะได้ชูใจคนเหล่านั้นที่ ต้องการเช่นเดียวกันพี่น้องครับประสบการณ์ความทุกข์ยากลาบากกลายเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสูงกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าดังทองครับที่เราจะได้สามารถถ่ายทอดชูใจคนเหล่านั้นที่อยู่ในความทุกข์ยากลาบากได้พี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอเป็นพยานพี่น้องทราบไหมครับว่าผมนั้นได้เป็นโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองสองรอบด้วยกันครับครั้งแรกคือปี1990ครับครั้งที่2คือปี1995ห่างกัน2ครั้ง5ปีครับและผมก็ได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรักษาต่างๆทุกชนิดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุดพระเจ้าก็ปลดปล่อยผมรักษาผมให้หาย และผมได้รับการชูใจผมไม่ได้ประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเองยี่สิบกว่าปีครับที่ผมรับใช้พระเจ้าผมก็ใช้ประสบการณ์การชูใจขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาชูใจหนุนใจคนอื่นมีผู้คนมากมายครับที่มีญาติพี่น้องหรือตัวเองนั้นได้เป็นโรคร้ายเหมือนผมผมก็ได้มีโอกาสมีส่วนในการรับใช้กับพี่น้องเหล่านั้น พี่น้องครับแม้ว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนอาจจะไม่ได้รับการรักษาให้หายแต่ในขณะที่เขาเดินผ่านชีวิตของการเป็นมะเร็งแล้วจากเราไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่เราจะสามารถเข้าไปรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องเหล่านี้ได้และพี่น้องเหล่านี้ได้ไดรับการชูใจครับแม้ว่าในที่สุด พระเจ้าจะมีพระประสงค์ที่ดีกว่าการหายก็คือการที่พระเจ้ารับเขารับท่านเหล่านั้นไปอยู่กับพระองค์พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษนับเป็นเกียรติของผมอย่างสูงที่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องเหล่านี้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตผมขอขอบพระคุณพระเจ้าผมขอถวายเกียรติแด่พระองค์ครับขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องที่กาลัง โศกเศร้าพี่น้องที่กาลังมีความทุกข์ยากลาบากนะครับขอพระเจ้าประทานการปลอบใจขอพระเจ้าประทานการชูใจให้ท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยความเชื่อมัน่นศรัทธาและความหวังที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอพระเจ้าดูแลท่านเช่นเดียวกันเสริมกำลังท่านพี่น้องผู้อาวุโสที่อ่อนกาลังมีความจากัดในการเดินการลุกนั่ง การที่แต่ละท่านนั้นจะต้องได้รับการดูแลจากญาติพี่น้องลูกหลานครับขอพระเจ้าเสริมกําลังท่านด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าได้ท่านประจักษ์ถึงการทรงสถิตขององค์พระบิดาเจ้าในทุกๆวันทุกเวลาครับอาเมน